เรื่องราวของพระพุทธศาสนาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาอะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ได้ และอะไรที่จะรักษาให้พระพุทธศาสนาอยู่ต่อไปในโลกนี้ได้พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้จะเกิดขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องมีหัวใจของพระพุทธศาสนาเหมือนกับร่างกายของพวกเราทุกคนร่างกายของพวกเราจะเกิดมาได้จะอยู่กันได้ก็ต้องมีหัวใจ เป็ส่วนสคัญเพราะถ้าไม่มีหัวใจร่างกายนี้ก็เกิดไม่ได้หรือถ้าเกิดมาแล้วถ้าหัวใจหยุดเต้นร่างกายนี้ก็ต้องตายไปฉนันใดหัวใจของพระพุทธศาสนาก็มีความสำคัญต่อการต่อพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับร่างกาย หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรก็คือพระรัตนตรัยนี่เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้มีอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีพระรัตนตรัยเป็นผู้ขับเคลื่อนมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และมีพระ อ, อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นำเอาคำสอนอันประเสริฐที่พาให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระคุณที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถ เทียบเสมอได้จึงทำให้เกิดศรัทธาในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดความศรัทธาความเนื่อมใสและความฉันทาวเดีย ความยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนจนได้หลุดพ้นจนได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าปราศจากพระรัตนตรัยแล้วถึงแม้จะมีทาวรวัตถุต่างๆเช่นยังมีพระพุทธรูปยังมีโบ์มีเจดีย มีวัดมีอะไรต่างๆมีเพียรพระภิกษุที่บวชสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับร่างกายที่ไม่มีหัวใจก็เปลี่ยนเหมือนซากศพอย่าไม่ทำคุณทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกต่อไปได้เพราะไม่สามารถที่จะสร้างศรัทธาสร้าง สร้างปัญญาให้เกิดในผู้ที่ได้มาสัมผัสรับรู้นั่นเองดังนั้นเราชาวพุทธทั้งหลายที่มีความรักพระพุทธศาสนามีความหวงพระพุทธศาสนาต้องรู้ว่าวิธีที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกดาวนี้ต้องรักษาได้อย่างไร ต้องรักษาที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปรักษาในถาวรลวัตุต่างๆวัดวารามต่างๆในสมัยกรุงศรีนี่ก็ถูกถูกข่าศึกศักศตรูเผาไมหม้ไปหมดแล้วแต่พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ต่อไปได้เพราะพระพุทธศาสนานยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นั่นเอง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่ทําลายยากไม่ง่ายเหมือนกับทําลายถาวรและวัตถุเช่นโบ่เจดีวัดวารามพระพุทธรูปต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่องค์ของพระรัตนตรัยไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่มีก็ยังไม่สามารถ ไม่มีก็ไม่สามารถทำให้พระพุทธศาสนาหายไปได้สิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนาหายไปก็คือการทำลายพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่และวิธีที่จะทำลายพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็คือการหยุดการผลิตพระอริยสง์สาวกนั่นเองพระอริยสง์สาวกเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็เกิดจากการที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้นำเอาคำสั่งคำสอนไปปฏิบัติอย่างอย่างดีเยี่ยมคืออย่างสุปฏิปันโนยปฏิบัติดดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การบรรลุอริยมรรคอริยผลก็เป็นสิ่งที่ตามมาตามลำดับต่อไปพระอริยสงฆ์ก็จะมีปรากฏขึ้นอยู่แล้วถ้ามีพระอริยสงฆ์ก็สามารถที่จะนำเอาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนให้กับผู้ได้ต่อไปถ้าขาดพระอริยสงฆ์สาวกแล้ว ยังไม่มีใครสามารถนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่สามารถสอนให้เกิดศรัทธาเกิดฉันทาวิริยะที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติอย่างจริงจัง น, นี่นี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงชาวพูดเราทุกคน ถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปนานๆให้เป็นที่พึ่งของลูกหลานของเราที่จะตามมาต่อไปพวกเราทุกคนก็ต้องมุ่งไปที่การผลิตพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าให้มีปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆด้วยการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนด้วยการ ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุมรรคผลในพานตามลําดับต่อไปไม่ต้องกังวลเรื่องฐานวารวัตถุฐานวารวัตถุนี้สร้างง่ายถูกทําลายได้ง่ายแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้สร้างได้ยากนะถูกทําลายได้ยากกว่า ที่มาของพระรัตนาตายนี้มาได้อย่างไรสิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนในพระรัตนตยก็คือพระพุทธเจ้านี่ต้องมีโพธิสัตว์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกบวชหลังจากที่ได้พบกับเทวทูตสี่ก็คือได้เห็นคนแก่ เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชจึงทำให้เกิดมีความสลดสังเวสต่อการมาเกิดในโลกนี้เพราะเมื่อมาเกิดแล้วก็จะเป็นที่จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมามีการพัดพลาดจากสิ่งที่รักบุคคลที่รักตามมาจึงจะต้องจึง จึงเป็นความทุกข์อย่างยิ่งเพราะไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายกันไม่มีใครอยากจะพลาดพลาดจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เพราะนี่มันเป็นกฎของธรรมชาติของโลกนี้โลกของตายรักโลกของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอน โลกของความไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนโลกของความเกิดดับมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาโลกของธรรมชาติคือไม่มีใครสามารถมาทำให้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรได้ใครมาเกิดก็จะต้องเจอกับความทุกข์ของความไม่แน่นอนนี่ทุกคนไป ถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ของความไม่แน่นอนก็ต้องหยุดการกลับมาเกิดให้ได้ถ้าการที่จะหยุดการกลับมาเกิดให้ได้ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมนั่นเองไปสร้างพลังให้เกิดขึ้นมาในใจที่จะมีกำลังที่จะหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายกันเหตุที่พาให้สัตว์โลก อย่างพวกเรานี้มาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆก็เกิดจากตันหาทั้งสความอยากสามประการการมาทันหาคือความอยากเสพกามคุณหอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆภาวะทันหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากสวยอยากงามอยากอยู่ไปนานๆ แล้วก็วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีไม่เป็นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากเจอกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นตัวที่จะผลักให้จิตใจนี้เดินลนไปสู่พบใหม่ต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วหรือบางทียังไม่ตายไปก็ฆ่าตัวตายไปก็มี อยากหนีจากความทุกข์ทรมานของร่างกายบางคนตกอยู่ในสภาพที่ไม่พึงปรารถนาพิกลพิการในโรคร้ายรักษาไม่ได้ก็คิดฆ่าตัวตายกันเพื่อที่จะหนีความทุกข์ของร่างกายอันนี้ก็เป็นวิภาวะฐาหาความอยากไม่มีอยากไม่ความอยากไม่เป็นไม่ไม่อยากจะอยู่ในสภาพที่ตอนนองตกอยู่ ก็ฆ่าตาย่าตัวตายพอฆ่าตายไปจิตก็ถูกวิภาวะทหานี้ดนึงไปหาพบใหม่ชาติใหม่ต่อไปไปเกิดใหม่อีกรอบก็จะวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไปไม่มีวันจบสิน้นจนกว่าจะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้และเหตุที่จะหยุดความอยากได้ก็คือการปฏิบัติศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญา พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการอยู่ในวางต่อไปก็จะไม่มีวันที่จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ไดตไ้ต้องไปตามทางของนักบวชเ่ะนั้นก็เลยสละราชสมบัติออกบวชในขณะที่มีพระชนมายุยี่ 29, สิบก้าพรนษาด้วยกันหลังจากออกบวชแล้วก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆ เราสามารถหยุดความอยากด้วยกำลังของสติสมาธิได้แต่ในการหยุดแบบชั่วชั่วคราวในขณะที่อยู่ในความสงบเท่านั้นหลังจากออกจากความสงบมาความอยากก็ยังปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้ว่าจะทำอย่างไรให้ความอยากมันหมดแบบถาวรไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิ พระ อ, องค์ทรงบาดนาที่อยากจะให้ความหยุดอยากมันหยุดหมดเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันเกิดความทุกข์ใจแล้วก็รู้ว่าความอยากนี้จะเป็นตัวที่จะพาให้ไปกลับมไปเกิดมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่มีใครรู้วิธีหยุดความอยากอย่างถาวรได้ก็เลยต้องส่งคนคว้าด้วยพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็พบ ว, ว่าการจะหยุดความอยากได้ ต้องแก้ที่ความต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงความหลงก็คือไปเห็นว่าโลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกของนิ จ, จังสุขขังอัตตาคือสิ่งเทียงต่างที่เราอยากได้จะนำความสุขมาให้กับเราเช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเสพเพราะเวลาได้เสพลาบยศสรรเสริญสุขแล้วเก็ไอยความสุขใจหู แต่มันเป็นความสุขใจชั่วคราวเพราะลาภยศสารเสริญสุขก็เป็นของไม่เที่ยมเป็นของที่ไม่จีิรังถาวรเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงได้มีเจริญมีเสื่อมได้เวลาเกิดความเสื่อมในลาภยศสารเสริญสุขความสุขที่ได้ก็หายไปสิ่งที่ได้เข้ามาก็คือความทุกข์ใจและไม่มีใครห้าม การเปลี่ยนแปลงของโลกกระททั้งหลายได้เพราะเป็นกฎของธรรมชาติถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยากปม่อยากเสดรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆก็ละกามาตัญหาได้พระองก็เลยทรงตัดฉลุ ข, ขึ้นมาว่าสิ่งต่าง ๆ, ๆทั้งหลายในโลกนี้ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปอยากเราก็จะทุกข์เพราะว่าจะได้ความสุขแบบชั่วคราวเพราะสิ่งต่างๆในโลกมันไม่มันไม่ถาวรมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสือ่อมในการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเมื่อทรงเห็นแล้วว่าทุกอย่างเป็นตายรัเป็นของไม่เที่ยงของที่จะทําให้ใจทุกข์เวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือหมดไป ก็เลยหยุดความอยากได้อย่างทาวรนก็ได้ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้ทรงเวียนได้ใทรงเวียนว่ายมาเป็นเวลาอันยาวนานในที่สุดก็ได้พบกับคำตอบได้พบกับวิธีการที่จะหยุดความทุกข์ทั้งหลายพือหยุดการเกิด นั่นเองเมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการแ ก, แก่การเจ็บการตายตามมาเมื่อไม่มีความอยากทุกข์ก็จะไม่มีในใจต่อไปก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ใจของพุทธเจ้าก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย เมื่อไม่มีกิเลสตัตหาไม่มีเครื่องเศร้าหมองใจก็ผ่องใสผุดผ่องใจก็เบิกบานใจก็สุขไปตลอดองค์ทรงเลขใจแบบนี้ว่านิพานใจที่ได้เป็นนิพานนิ บ, บานังพลังสุขขังใจที่ได้เข้าถึงบรมมามสุขความสุขที่ถาวอนความสุขที่ไม่มีวันเสื่อไม่มีวันหมดาะได้ตัด เครื่องเศร้าหมองต่างๆคือกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาตอนที่พูะเจ้าทรงบำเพ็ญทรงที่ปฏิบัติทรงบรรลุธรรมไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้ถึงแม้ว่าจะอาจจะเคยมีมาแล้วในอดีตการ เขามีพระพุทธเจ้ามีพรอโพธิสัตว์มามาตัดสโรคกันเป็นเป็นระยะระยะเป็นช่วงช่วงกันมาตลอดแต่คำสั่งคำสอนหรือพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนั้นได้จางหายไปจากโลกนี้แล้วไม่มีใครรู้จักอริยสัจสีไม่มีใครรู้จกักตั้รรตยลักษณ์เลย ก็เลยไม่มีใครรู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดความทุกข์ต่างๆที่ประกอบขึ้นมาในใจยอยู่เรื่อยๆเมื่อไม่มีผู้รู้ผู้มาสอนไม่มีพระวรัตรนาใจของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือสมณะโคดมที่ได้ออกบวชก็เลยจาเป็นที่จะต้อง ศึกษาค้นคว้าหาหาความจริงด้วยพระองค์เองหาอริยสัจสี่หาใจลักจนในที่สุดก็ได้ทองค้นพบด้วยพระองค์เองทําให้พระองค์ได้หลุดพน้นทําให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีนี้การเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นทันที ตอนที่ได้ทรงตัดสรุปในวันเพ็ญเดือนหกตอนนั้นก็ยังไม่มีพระรัตนตรัยครบองค์พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับอนาคตของตนดีจะทําัไงกับสิ่งทีอันเลิศอันประเสริฐที่ได้ทรงค้นพบนี้เพราะทำอันเลิศอันประเสริฐคือมรรคผลนิพพานว่าจะทําอย่างไรดีจะเก็บไว้สงวนเลิกเศษ ดีหรือว่าจะนำามาแจกจ่ายเอามาถอยแพร่ให้กับผู้อื่นต่อไปเบื้องต้นก็ทรงมีความไม่ปรารถนาที่อยากจะสั่งสอนเพืทำอันเลิศอันประเสริฐเพราะทรงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าใจได้และศึกษาและปฏิบัติตามได้ เขาสอนให้ละการแสวงหาความสุขทางโลกนั่นเองสอนให้เลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑหรือแม้แต่ความสุขที่ได้จากการเข้าสมาธิในระดับต่างๆก็ต้องเลิกหมดจึงเห็นว่าเป็นวิธีเป็นสิ่งที่ยากต่อการที่จะทำให้ผู้อื่น สนใจและปฏิบัติตามได้เกรงว่าพูดไปสอนไปก็จะเสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเพราะจะไม่มีใครอยากจะปฏิบัติตามนั่นเองเพระอง์ก็เลยทรงไม่ขนขวายไม่อยากที่จะเผยแผ่ธรรมแต่ต่อมาก็มีเท้ามาหาพรหมได้มากราธนาขอให้พระพุทธเจ้าด้วยทรงพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพว่อปวสตว์โลกเพราะสัตว์โลกก็มีหลากหลายมีพวกที่สนใจก็มีพวกไม่สนใจก็มีพวกที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าก็มีพวกที่ยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าก็มีขอให้ได้ปวดวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งเถิดเมื่อได้รับการอภิธานาจากท้ามาหาพรมนะก็ทรงวินิจฉัยดูกําลังอินทรีย์ของสัตว์โลกก็ทรงเห็นว่า มีแบ่งไว้แบ่งได้เป็นสี่จำพวกด้วยกันเปรียบเทียบเป็นเหมือนพวกบัวสีเหล่าพวกที่มีอินทรีย์ที่แก่ก้านนี่ก็เป็นเหมือนพวกบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วเพียง<อ>แต่รอแสงสว่างแห่งของดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมาก็บัวนั้นก็จะบานขึ้นมาตรกนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกที่เป็นนักบวชอยู่แล้วพวกที่ได้รักษาศีล ได้มีสมาธิมีสติมีสมาธิที่ที่แก่กล้ามีอินทรีย์ที่แก่กล้าแต่เพียงแต่ขาดอินทรีย์ที่สําคัญก็คือปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมนี้เท่านั้นถ้าพระองค์ได้ทรงโปรดทรงแสดงทำให้แสงสว่างแห่งธรรมแก่บุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว นี่เป็นพวกที่1พวกบัวเหนือน้าอินรีที่มีอินรีที่แก่กล้ามากที่สุดมีอินรีมากที่สุดแต่ว่าเต็มร้อยก็ได้ในในวิริยะอินรีในสติอินรีในสมาธิอินรีแต่ไม่มีปัญญาอินรีไม่มีไตรลักษณ์ไม่มีอริยสัจสี่พวกที่สองก็เป็นพวกบัวปลิมน้าตรงนี้มีอินรีอ่อน ถัดลงมาจากพวกแรกพวกบัวเหนือน้ำมีมีศีลมี ม, มีมีสามารถ ม, มีสติปัญญารักษาศีลอยู่เป็นนักบวชได้แต่ยังไม่สามารถที่จะทำจิตใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ พวกนี้ต้องฝึกสมาธิไปก่อนฝึกสติสมาธิสร้างสติอินรีย์สมาธิอินทรีย์เพิ่มให้มากขึ้นไปก่อนแล้วถึงจะพัฒนาขึ้นไปเป็นบัวเหนือน้ําได้ต่อไปพวกนี้ก็เป็นพวกที่สองรองลงมาพวกที่สามนี้ก็คือเป็นพวกที่มีอินทรีย์ที่ที่ต่ํามากคือมีศรัทธาอินทรีย์มีความเชื่อในเรื่องบุญบาป ในเรื่องการปฏิบัติรักษาศีลภาวนาแต่อินทรีย์ทางสติทางสมาธินี้ยังมีไม่ค่อยมากความเพียรยังไม่มากยังไม่สามารถออกบวชได้ยังอยู่แบบเป็นคารวาดอยู่เป็นผู้คลองเรือนอยู่พวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามส่วนกลุ่มที่สี่พวกนี้มีไม่มีอินทรีย์เลยคือไม่มีศรัทธาในเรื่องของ ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษในเรื่องของนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะตรงนี้จะเต็มไปด้วยโมหะอาวิชชาที่จะไปหาอยู่กับโลกกระทเพียงอย่างเดียวหาความสุขจากราบยุดสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆไม่เชื่อว่าตายแล้วจะมีการไปเกิดใหม่อีกต่อไปเคิดว่าตายแล้วก็จบตายแล้วก็สูญก็เห็นเพียงแต่ร่างกาย ที่เมื่อร่างกายตายก็ต้องกลายเป็นทากโสด ไ, ไปเอาใบเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเอาใบฝังก็กลายเป็นดินไปก็เลยไม่เชื่อว่ามีมีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาไม่มีไม่เชื่อว่ามีการไปนรกไปสวรรค์ตามมาตรงนี้ก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาคําสั่งคําสอนของนักปบาชอย่างพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็เป็นผัวบัวที่ยังอยู่กับโคลนกับตมอยู่ โอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นวัวเหนือน้ำนี่มีน้อยมากส่วนใหญ่จะทุกกลายเป็นอาหารของปูของปลาไป <Okay. S 1> หลังจากที่ได้ส่งบินิฉัยได้ส่งพิจารณาแล้วก็ทรงเห็นว่ายังมียังมีบุคคลกลุ่มบุคคลที่สามารถรับประโยชน์จากการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าได้ของพระองค์ได้ องก็เลยทรงตัดสินพระไทยว่าจะจะเผยแผ่ธรรมมาให้แก่สรรลกแต่จะเลือกเผยแผ่ให้กับพวกที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าที่สุดก่อนคือพวกที่เป็นนักบวชพวกที่เมื่อฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยพวกที่มีสมาธิมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่แก่กล้าขาดเพียงแต่แสงสว่างแห่งปัญญา ที่จะต้องรอรับจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหลังจากนั้นสองเดือนหลังจากที่ได้ทรงตัดสัตยคือในวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขาบูชาก็มาถึงวันเพ็ญเดือน8ดวันอาสาหะบูชาวันก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันวันนั้นพรพุทธเจ้าก็เลยไปโปรดพระปัญจาวาัคคียพระปัญจวัคคีก็เป็นสาวกเก่าเคยติดตามเคยศึกษาเคยปฏิบัติกับพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงรู้ว่าพวกนี้มีมีสมาธิมีฌานมีสติมีศรัทธาวิริยะเต็มร้อยขาดเพียงปัญญาเท่านั้นเองอก็เลยทรงโปรดแสดงเรื่องของธรรมจักรกปรวัตนสูตรเรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของ เ, ออเรื่องของไตรลักษ์ให้ฟังอพอแสดงเสร็จหนึ่งในพระปัญชาวคีพระัญชาวคีมีห้าลูก หนรูปนั้นก็ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาถ้าเป็นดอกบัวก็เริ่มบานขึ้นมาแบ่งบานขึ้นมาได้บรรลุ ข, ขั้นพระโสดาบานันขั้นแรกของการเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์มีสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบานันขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าพระอาหารหันต์ คือต่เต้าขึ้นไปตามลําดับ ด, ด้วยกําลังของแสงสว่างแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าที่จะมาทรงโปรดวันนั้นก็เลยเป็นปรากฏที่มีพระรัตนตรัยปรากฏขึ้นครบสามองค์อองค์แรกคือพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วในวันเพนเ็ญเดือนหกพอในวันเพนเ็ญเดือนแปดก็ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรก ธรรมะนี่ก็เป็นพระรัตนาตายองค์ที่สองก็คือธรรมะก็ปรากฏขึ้นมาแล้วหลังจากแสดงธรรมเสร็จก็มีหนึ่งในผู้ฟังคือพระอัญญาณโกนัญญาก็ได้บรรลุพระอริยมรรอริยผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบังเป็นพระอริยสองสาวกขึ้นมาวันนั้นก็เลยมีพระรัตนาตายครบองค์ทันทีมีพระพุทธมีพระธรรมและมีพระสงฆ์ วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนานี่เองเพราะว่ามีมีส่วนประกอบถ้าเป็นร่างกายก็มีอาการครบสาสสองพร้อมที่จะคลอดออกมาจากท้องท้องมารดาได้วันนั้นพระพุทธศาสนานก็เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีการประกาศไม่มีการทาพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นมันเรื่องปรากฏการของแบบธรรมชาติ เหมือนผ้าที่ขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นถึงเวลาผ้าทิชมันก็ขึ้นตามเวลาของมันพระพุทธศาสนาเมื่อถึงเวลาที่จะให้เกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาถ้ามีเหตุปัจจัยที่ที่ที่ทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาคือถ้ามีพระศาสนามีหัวใจเมื่อไหร่คือมีพระรัตนกรัยเมื่อไหร่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเกิด เป็นพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นที่พึ่งของสัว์โลกต่อไปเพราะสารโลกสามารถเข้าหาพระพุทธศาสนาได้แล้วเพราะมีอาจารย์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใหญ่พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ช่วยเป็นอาจารย์เล็กอาจารย์น้อยเป็นครูผู้ช่วยพระพุทธเจ้าช่วยเผยแผ่ธรรมะธรรมะก็คือวิชาของพระพุทธศาสนานี่ย ตั้งแต่บัดนั้นมาพระพุทธศาสนาก็ดำลงมาอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าหลังจาก45ปีผ่านไปพระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสบอกว่าท่านไปเพียงแต่ร่างกายแต่ตัวของท่านนี้ยังอยู่กับพระธรรมคาสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นพระธรรมคาสอนของเรา ดังนั้นถึงแม้ว่าไม่มีร่างกายของพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ตามแต่องค์พุทธะก็ยังอยู่คู่กับองค์ธรรมะไปต่อไปเราจึงยังไม่ได้อยู่ปาส จ, จากพระรันตนตรัยถ้าตราบใดเรายังมีพระอริยสงสาวกมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่เรื่อยๆเราก็ยังจะมีพระรันตนตรัยอยู่ครบองค์และ เมื่อเรามีพระรัตนาตายอยู่ครบองค์พระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆไว้เป็นที่พึ่งให้กับสัตว์โลกผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือพระพุทธศาสนาของพวกเราตอนที่เกิดก่อตั้งก็ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีอุจ้าแสดงธรรมในป่า โปพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์ก็นั่งฟังด้วยความเคารพด้วยความเรื่มใสพอแสดงธรรมเสร็จก็บรรุษมรคนิพพานขึ้นมากาตามลำดับแสดงครั้งแรกก็บรุษหนึ่งคนแสดงครั้งที่สองหรือครั้งที่สามก็ทำให้บรรุเป็นพาาาระอรหันต์ครบห้ารูปเลยเป็นการเรียนรู้เป็นการสั่งสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อรับ ปัญหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดต้องต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็ได้สิ้นสุดลงด้วยอำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่พระบรรดาสาวกทั้งหลายได้บรรลุแล้วก็ขออนุญาตบวชกับพระพุทธเจ้า อยากจะอยู่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยการบวชเป็นทางการการบวชสมัยแรกๆบวชมาเป็นภิกษุในสมัยแรกก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นพระอุปชาเป็นผู้ทาหน้าที่บวชให้วิธีการบวชก็ของพุทธเจ้าก็ง่ายๆตรงตัดว่าตรองแต่นวาจาว่าจ้ามาเป็นพระภิกษุเถิเท่านนี้ออเอหิภิกขุสามปทา น, นี่คือการบวช ด, ด้วยการบวชกับพระพุทธเจ้าพอได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์แล้วก็ไม่รู้จะอยู่เป็นพระไม่รู้จะไปนับถือรัฐที่เดิมทําไมพวกนัก บ, บวชต่างๆเขาก็มีรัฐที่เดิมอยู่แต่เขาเห็นว่ารัฐที่เดิมของเขาที่เขาศึกษาที่เขาปฏิบัตินี้ไม่สามารถสอนให้เขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่สามารถทําให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรก็เลยขอเปลี่ยนลัทธิขอเปลี่ยนออจากลัทธิต่างๆมาเป็นลัทธิของพระพุทธศาสนามาเป็นพระภิกษุของพระพุทธศาสนานักบวชในพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าพระภิกษุพระภิกษุนี้แปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏะสงสารผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสารคือในตายพบในการมาพบในรูปพบและอารมุปพบเห็นภัยก็คือเห็นอันตรายว่าการมาเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเท่ากับการวิ่งเข้าหากองไฟวิ่งเข้ากองไฟวิ่งเข้าสู่กองทุกนั่นเองจึงเห็นภัยว่าวัฏฏะสงสารในตายพบการมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้เป็นการเข้าหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุข ต้องหาหาวิธีออกจากกองทุกนี้ไปให้ได้ก็ต้องศึกษาต้องปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยขอขอบวชเป็นพระภิกษุในยุคร่างๆนี้เขาวบวชกันหลังจากที่เขาบรรลุแล้วเพราะในเบื้องต้นยังไม่มีพิธีการบวชแต่อย่างใดคขาจะมาศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเธอต้องมาบวชก่อนแล้วถึงค่อยมาศึกษากับเรา สนใจอยากจะศึกษามาฟังเทศฟังธรรมพระ อ, องค์ก็ส่งบดในเบื้องต้นพระ อ, องค์จะไปบุกไปตามสำนักต่างๆของรัฐที่ต่างๆไปคุยกับนักบวชไปคุยกับหัวหน้าแล้วก็แจ้งเจตจำนงว่ามีข่าวดีมาบอกว่ามีวิธีการที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือนอกสมาธิพอได้พูดอย่างนั้นเรา ผู้ที่อยู่ในสำนักนั้นก็เกิดศรัทธาอยากจะขอฟังอยากจะขอศึกษาบางทีก็มาฟังทีเดียวห้าร้อรูปพร้อมๆกันหลังจากทรงสแสดงธรรมเสร็จปั๊บก็บรรลุปเป็นผ้าอาหานขึ้นมาทั้งห้าร้อรูปเลยทีเดียวพอบรรลุปเป็นผ้าอาหารหันเสร็จก็ขออนุญาตกราบขออนุญาตบวชเป็นพตระภิกษูต่อไปบอกว่าไม่รับไม่นับถึงรัตทิเดิมนะเพราะรัตทิเดิมนี้ไม่สามารถ ทำให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่รัตทิหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ทำให้ใจของเขานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเขาก็เลยเกิดศรัทธาอยากจะบวชอยู่ในในรัฐทิเดียวกับพระพุทธเจ้าก็าคืออยากจะบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็บวชทีเดียวให้ห้ารอยรูปด้วยการพูดปาจาเช่นเดียวกันว่าจยมาเป็นภิกษุเถิด พอพูดเท่านั้นเราเราผู้ที่มาขอบวชก็เลยกลายเป็นพระภิกษุขึ้นมาทันทีหลังจากที่ได้เป็นพระภิกษุแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงดัดต่อไปก็คือให้บรรดาผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วนี้ให้เอาความรู้อันนี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปให้แยกทางกันไปเผยแผ่อย่าไป ไปอยู่ไปด้วยกันสองคนให้แยกไปไปทีละคนกันทีละคนทางละคนเพื่อที่จะได้กระจายความรู้อันวิเศษนี้ให้ไปได้อย่างกว้างไกลอย่างกว้างใหญ่ไพศาลบรรด า, าพระภิกษุเหล่านี้ก็เลยหลังจากที่บรรลุแล้วก็แยกทางกันไปไปนำเอาธรรมะอันประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ไปสั่งสอนให้กับผู้อื่นต่อไป พระพุทธศาสนาก็เลยเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นจํานวนมากภายในระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกนี้ปรากฏมีพระอสส ร, ริยสงฆ์สาวกหรือพระอรหรนันต์นี้อย่างน้อยที่ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นในในวันเพ็ญเดือนสามเจ็ดเดือนหลังจากที่ได้ประกาศพระธรรมคําสอนไปนี้เจ็ดเดือนหลังจากที่ได้แยกแยะ ก, กันไป เพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้นี้ mm. ก็มีความปรารถนาอยากจะมาคาะกาบมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากัน mm. ก็เลยเดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือนสามที่เราเรียกว่าวันมาคะบูชา mm. วันนั้นก็จะมีมีพระอาหารหันต์ตสาวกอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนูนได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน mm. มาจากทุก ทั่วสารทิศพวกนี้ก็อาจจะไปเผยแผ่เผยแผ่สั่งสอนแล้วก็มีลูกศิษย์บรรลุเป็นพระเหมัอนพวกที่นี้ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็อยากจะเจอพระพุทธเจ้าก็ขอให้พามากราบพระพุทธเจ้ากันนี่คือความเจริญรุ่งเรืองในยุคแรกๆของพระพุทธศาสนาเจริญด้วยมรรคผลนิพพานไม่ได้เจริญด้วยถาวรวัตถุไม่มีวัด ไม่มีวัดวาอารามยิ่งใหญส่สวยสวยสดพิศดาลวิจิตพิศดาลเหมือนที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีเต็มไปด้วยพระอริยสงสาวบกเพราะสิ่งที่สำคัญก็คือการมีพระอริยสงสาวกมาช่วยพระพุทธเจ้าทำนามานามาทำอันเิฐนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ยังตกทุกข์อยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มากก็เป็นเหมือนกับการผลิตหมอในสมัยนี้นะสมัยก่อนประเทศไทยเรามีหมอน้อยคนไข้นี่รักเข้าหาหมอนี่หมอช่วยได้ไม่กี่คนเพราะมีหมอน้อย สมัยนี้ยุคนี้เราผลิตแพทย์กันขึ้นมามากขึ้นมีหมอมากขึ้นคนมีโอกาสที่จะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นมีอายุอยู่ในโลกนี้ได้ยาวนานขึ้นเพราะมีการผลิตหมอได้มากขึ้นนั่นเองาการจะผลิตหมอได้ก็ต้องมีอาจารย์หมอมีผู้สอนถ้าไม่มีผู้สอนก็ไม่สามารถที่จะสอนวิชาของหมอได้ฉนั้นใดวิชาธรรมะก็เป็นเช่นเดียวกัน การที่จะมีอาจารย์ที่สอนธรรมะเพื่อให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้บรรลุเป็นพระอาริยรสงฆ์สาวกได้นี้ก็จะเป็นที่จะต้องมีครูอาจารย์ที่เป็นพระอาริยรสงฆ์สาวกมาเผยแผ่มาสั่งสอนถ้าไม่ใช่เป็นพระอาริยรสงฆ์สาวกนี้จะสอนไม่ถูกไม่ถูกแนวทางเหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นหมอนี่จะมาสอนให้คนอื่นเป็นหมอนี่สอนไม่ได้ถึงแม้จะมีตารา เอาตำรามากลางแต่สอนไปก็สอนไม่เข้าใจเพราะไม่ตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าตำรานี้มีความหมายว่าอย่างไรก็อาจจะแปลความหมายของตำราใบแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกก็ได้ก็ไรจะทําให้ผู้ที่ศึกษาฟังแล้วก็งงหรือถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกก็จะทําให้มัได้ไม่ได้สามารถบรรลุการเป็น หมอหรือการเป็นพระอริยสงสารกได้จาเป็นจะต้องมีผู้รู้จริง <c oughs> เห็นจริงผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติด้วยตนเองมาแล้วได้เป็นหมอมาแล้วได้เป็นพระอริยสงสารกแล้วถึงจะสามารถสอนให้ผู้อื่นได้เป็นพระอริยสงสารกต่อไปได้ใ <c oughs> นนี่คือเรื่องของหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ที่ทำให้เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นมาในโลกนี้และจะทำให้าศาสนาพุทธนี้อยู่ต่อไปได้อีกถ้ายังมีพระอริยสงสากมีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อ, อยู่ในโลกนี้ต่อไปถ้าตราบใดถ้าวันใดถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการบรรลุธรรมแล้วถึงแม้จะมีคําสอนที่อยู่ในคัมภีรก็อาจจะไม่มีใครสนใจที่จะศึกษากัน เพราะศึกษาแล้วไม่เข้าใจเพราะการจะเข้าใจเพราะธรรมที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ได้นี้จะป็นต้องมีคนที่เป็นพระอริยสงฆ์สาวกคนที่ได้บรรลุธรรมแล้วถึงจะเข้าใจคำสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์ได้อย่างท่องแทแ้ถ้าศึกษาด้วยตนเองโดยที่ไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกมาสอนนี้มักจะหลงทางกันหรือไปไม่ถูกว่าจะไปไปจะทำอย่างไรดี จะเริ่มต้นที่ตรงไหนดีก็จะงงจะไม่รู้แต่ถ้ามีพระอริยสงสาวกนี่ถ้าไปสอบถามท่านท่านก็บอกให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้พอเราทาแล้วก็จะได้เกิดผลขึ้นมาตามลาดับนี่นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาที่จะรักษาให้พระพุทธศาสนานี้อยู่กับโลกไปได้นา น, น, าน จำเป็นจะต้องมีการผลิตพระอริยสงสาวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องถ้าวันใดวันหนึ่งเมื่อไม่มีพระอริยสงสาวกแล้ววันนั้นแหละเป็นวันนับถอยหลังของพระพุทธศาสนาได้ถึงแม้ว่าจะมีถาวรและวัตถุที่สวยงามวิจิตรพิสดารอย่างในยุคนี้สมัยนี้มีการสร้างวัดวารามต่างๆที่สวยสดงดงามที่ยิ่งใหญ่สร้างองค์พระพุทธรูปใหญ่เท่าภูเขา แต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสอนธรรมะให้กับผู้ที่สนใจได้ไปกราบพระพระท่านก็นั่งเฉยๆให้เรากราบท่านั้นเองแล้วเลยทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาว่าพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถขอพรต่างๆได้ขออะไรก็จะได้แล้วส่วนใหญ่ที่ขอก็ขอข อ, ขอความทุกข์ไม่ได้ขอความสุขเพราะข อ, ข อ, ข, อขอความจเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขกันนั่นเอง ซึ่งลาบยศสารเส ร, ริญสุขเหมือนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการขอลาบยศสารเส ร, ริญสุขก็คือขอให้ได้อยู่ติดอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆอเพราะว่าอาันลาบยศสารเส ร, ริญสุขนี้แหละเป็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดที่จะคอยล่อให้ปลาที่ไม่ฉลาดนี้มาฮุบเหยื่ อ, อใครที่ยังติดกับลาบยศสารเส ร, ริญสุขอยู่นั่นก็จะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆอ เพราะว่าลาบยศสเสวนสุขมันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วมันก็หมดไปหมดไปก็อยากจะกลับมาหาใหม่หรือเวลาร่างกายตายไปราบยศ ส, สรเสิญสุขที่ได้มามันก็หมดไปใจก็ไปแบบไม่มีราบยศสเสริญสุขไปด้วยความอยากมีราบยศ ส, สรเสิญสุขก็ต้องไปมีร่างกายใหม่ก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้พระพุทธ ศาสนาเลยกลายเป็นที่ที่ล่อลเหยื่อที่ล่อลพวกทีออ่ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าพระพุทธศาสานานี้ความจริงคืออะไรพระพุทธศาสานาความจริงก็คือคําสอนที่สอนให้เรามาปฏิบัติธรรมกันมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทำบุญทําทานกันเพื่อที่จะละความอยากต่างๆที่จะได้ ที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้มันหมดสิ้นไปจากใจไม่ใช่มาขอพรจากพระพุทธรูปขอให้ได้ราบยศสารเสริญสุขเพิ่มมากขึ้นไปอันนี้เท่ากับการสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปในใจนั่นเองไม่ใช่ลดละความอยากในราบยศสารเสริญสุขแต่เป็นการเพิ่มความอยากอยากได้มากๆจึงต้องมาขอพรพระ พอหาด้วยด้วยลำพังกำลังของตนเองแล้วหาไม่ได้หรือหาไม่ได้ไม่ไมไมพอเลยต้องมาขออาศัยบา ร, รมีของพระพุทธรูปต่างๆที่ประดิษฐานอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆก็เลยกลายเป็นที่มาข อ, ขอขอความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวคือการขอราบยศสารเสริญสุขก็คือการขออนิจจังทุกขังของนัตตา น, นั่นเอง เพราะลายศสารเสวนสุกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์ถ้าใครไปติดกับลาบยศสารเสริญสุกแล้วจะต้องทุกข์ทุกข์เพราะความไม่แน่บอกความไม่แน่นอนของลาบยศสารเสริญนั่นเองทุกข์ด้วยความกังวลว่ามีแล้วจะหมดเมื่อไม่จะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะพอใช้หรือไม่พอใช้ก็ไม่รู้อันนี้คือความไม่แน่นอนของลาบยศสารเสริญสุขกันอถ้า ถ้าเข้าวัดเข้าว่าเพื่อมาขอพรจากพระแล้วนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์กันเข้ามาเพื่อขอให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปนานๆท่านั้นเองเพราะไม่ได้ศึกษากันเพราะไม่รู้ว่าวัดนี้วัดวารางนี้เป็ น, ปนสถานที่ศึกษาเป็นโรงเรียนไม่ใช่เป็นที่มาให้กราบ กราบขอพรมาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในวัดสิ่งเดียวที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดก็คือคำสอนของพระพทุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้านอกนั้นไม่มีอะไรที่จะทาให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ เรต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาเวลาเราเข้าวัดมานี้ความจริงแล้ววัดเป็นที่ศึกษาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่ให้เรามาลดละ ก, กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงเป็นที่ให้เรามาทําบุญทําทานเพื่อลัความโลภ ค, ความอยากได้ราบยศสารเสริญกันแล้วก็เป็นที่ให้เราม า, า, ารักษาศีลเพื่อละความอยากที่จะทําบาปกันแล้วให้เรามาปฏิบัติ สมาธิเพื่อให้เราได้ลดหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้มันหยุดลงเพื่อใจเราจะได้สงบเพื่อใจเราจะได้มีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ดีกว่าไม่ไม่มีเลยแล้วหลังจากที่เราได้ความสุขแบบชั่วคราวแล้วเราก็มาศึกษาทางปัญญามาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กัน อะไรที่เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือความอยากและอะไรที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาก็คือความหลงหลงไปคิดว่าการได้ทำตามความอยากได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้แล้วจะทำให้เรามีความสุขกันแต่มองไม่รู้แต่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์ก็มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาใหม่ๆมันก็สุข แต่พอสักพักหนึ่งสิ่งที่ได้มามันก็เปลี่ยนไปจากของใหม่ก็กลายเป็นของเก่าเช่นซื้อรถยนต์มาเวลาซื้อมาใหม่ๆมันก็วิ่งดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ใช้ไปใช้ไปต่อมามันก็เริ่มชำรุดทรุดทรมเริ่มเสียตรงนั้นเริ่มเสียตรงนี้ขึ้นมาจะใช้รถแต่ละครั้งบางทีก็แทนที่จะเป็นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์เพราะใช้ไม่ได้เพราะมันเสียต้องเอาไปซ่อม หรือว่าบางทีจอดไว้เฉยๆมันก็ถูกขโมยไปก็ได้ถูกคนลักขโมยไปหายไปก็จะมีมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าคิดดีๆถ้ามองภาพกว้างๆอย่ามองแต่เฉพาะจุดที่เราอยากจะมองหรือว่ามองว่ามันให้ความสุขกับเรามันทํานู่นทํานี่ให้กับเราได้แต่ไม่เคยคิดว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะไม่สามารถทําตามที่เราอยากให้มันทําก็ได้เพราะมันเป็นของที่ไม่แน่นอน ความหลงทำให้เรามองไม่เห็นความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้ทำให้เรามองไม่เห็นอนิจจังแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นของที่แน่นอนถาวรเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราเป็นของของเราจะอยู่กับเรารับใช้เราให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่ความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันความอนิจจังปรากฏขึ้นมา ต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือสูญเสียคนที่เรารักไปอะไรตามมาสิ่งที่ตามมาก็คือทุกข์ขังนั่นเองเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องห่มร้องไห้กันเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักบุกคคลที่เรารักไปเพราะนี่คือความไม่แน่นอนความเป็นอนิจจังของสิ่งต่างๆแต่เนื่องจากความหลงความหลงมันทําให้เรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตา ได้ลาบมาแล้วได้เงินทองมาแล้วจะมีความสุขไปตลอดได้ยศได้ตำแหน่งมาแล้วจะทำให้เรามีความสุขไปตลอดได้รับการสรรเสริญเยินยอแล้วจะทำให้เรามีความสุขได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราชอบแล้วจะทำให้เรามีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าวันวันใดวันหนึ่งอาจจะไม่ได้่ังที่เราเคยได้ก็ได้เคยได้ลาบมาเคยได้เงินทองมาวันดีก็ดีเงินทองก็ไม่มาก็มี เคยทํางานได้เงินเดือนวันดีคืนดีเขาอาจจะปิด <c oughs> ปิดกิจาการปลดคนงานออกตกงานก็มีเงินทางที่เคยได้มาก็หยุดชะงักไปพอตกงานปั๊บอะไรเกิดขึ้นมาก็ทุกข์ขังก็เกิดขึ้นมาเพราะการตกงานก็คือเป็นนนิจจ์หนึงเป็นความไม่แน่นอนไม่ใช่เป็นนิจจ์ไม่ใช่ว่ามีงานทำแล้วจะทําไปตลอดจนวันตายมันไม่มีมันอาจจะต้อง <c oughs> ตกงานก่อน เพราะกิจาการอาจจะปิดลง น, งนี่คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเหตุที่ทําให้เรามีความอยากในในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราคิดไม่ออกเรามองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆขึ้นๆลงๆบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลง บางทีเงินก็มามากบางทีก็มาน้อยบางทีก็ไม่มาเลยนอกจากไม่มาแล้วมีแต่ต้องมีแต่ไลออกก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับแค่ น, นี้ก็ปวดหัวแล้วพอรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนี้ก็เกิดทุกขังขึ้นมาแล้วแต่เราคิดว่าเราจะสามารถมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเราก็เลยคิดว่าจะเป็นสุขขังไป <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เรามาลก ความหลงความไม่เห็นความจริงความไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาอยากอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขอยากอยู่ไปนานๆอยากร่ำอยากรวยไปนานๆพอมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากมันก็ทำให้เราทุกข์กันแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันเกิดจากความอยากของเราเราก็ยังอยากอยู่นั่น ถ้าเงินหมวดก็ต้องไปหาใหม่ก็ต้องดินน้นรนยอมทุกขกับการไปหาใหม่ถ้าหาไม่ได้ทุกข์มากๆเข้าก็คิดฆ่าตัวตายกันอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุขก็ฆ่าตัวตายกันความอยากฆ่าตัวตายก็เป็นตันหาความอยากอีกแบบหนึ่งที่จะผลักดันให้จิตใจของเรานี้ต้องไปผุดไปเกิดใหม่อีกต่อไปอยู่เรื่อยๆพอมาเกิดก็ต้องมาดิ้นรนกับการหาลาบยศรเสรสนุข แล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราเจนนั้นเราต้องมาเข้าหาธรรมะกันเพราะมีพราะธรรมะเป็นแสงสว่างที่จะมาดับความมืดของความความหลงที่ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาแต่เป็นตรงกันข้ามกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเราได้พอเราหยุดได้แล้วใจเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจของเราก็ไปสู่พระนิพพานกันเมื่อเราได้พบกับความสุขของพระนิพพานแล้วเราก็สามารถเอาความรู้ที่เราได้ปฏิบัติมานี้มาสอนผู้อื่นต่อไปเพราะเราก็เป็นหนึ่งของ หนึ่งในพระรัตนตรยแล้วเกิดเป็นพระอริยสงสารกขึ้นมาเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปได้อีกช่วงหนึ่งช่วงที่เรามีชีวิตอยู่พยายามผลิตสร้างอริยสงสารลกนุ่นใหม่ขึ้นมาเหมือนกับที่เขาผลิตแพทย์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆทุกปีนี้จะมีนักศึกษานักเรียนนักศึกษาที่สมัครไปเรียนแพทย์กันเพราะว่า แพทย์เก่านี้ก็จะอายุก็ก็จะมากขึ้นไปตามลำดับก็จะต้องถูกถูกปลดออกเพราะความชราไม่สามารถทำหน้าที่สั่งสอนหรือรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้ก็ต้องอาสายแพทย์รุ่นใหม่ๆที่จะต้องคอยรับเข้ามาสั่งมาสอนอยู่เรื่อยศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันต้องต้องรับผู้ที่มีศรัทธาที่อยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติที่อยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานให้มีเข้ามาอยู่เรื่อย การที่จะดึงดูดพวกนักศึกษาเหล่านี้เข้ามาได้ก็ต้องมีอาจารย์ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็คือมีพระอริยสงสาวกมาคอยแสดงทำให้ฟังอยู่เรื่อยๆพอฟังแล้วก็จะเกิดศรัทธาอยากจะอยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติอยากจะบรรลุ ก, กันตามมาถ้ามีการกระทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมมีการถอยแผ่ธรรม พระพุทธศาสนาก็จะอยู่แบบโลกนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเหตุที่จะทําให้พระพุทธศาสนาสิ้นสุดลงก็เพราะว่าการศึกษาจะมีน้อยลงการปฏิบัติจะมีน้อยลงการบรรลุจะมีน้อยลงไปตามการตามเวลาและในที่สุดต่อไปก็จะไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมพระพุทธศาสนาก็จะเหลือแต่เปลือกเหลือแต่ร่างเหมือนคนตายที่ไม่มีหัวใจ คนตาที่ไม่มีหัวใจก็เป็นซากศพดีๆนี่เองต่อไปศาสนาของเราถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานศาสนาเราก็จะเป็นซากศพมีวัดสวยๆงามๆ ม, มีพระพุทธรูปสวยๆงามๆให้กราบให้ไหว้แต่ไม่มีใครมาสอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอันนี้คือเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ให้ท่าน ได้รู้ว่าถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาเราจะต้องรักษาอะไรเราต้องรักษาหัวใจคือรักษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่กับโลกนี้ไปนานๆด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหลังจากนั้นก็เอาเอ า, เอาความรู้ที่ได้จากการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป ถ้าทำอย่างนี้กันทุกคนรับประกันได้ว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่กับโลกเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริโพเลนติสาขลังเอ ว, มวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติ อิจิตังปฏจิตังตุมหังคิดเป็นวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยัตถะมณิโชติละโสยัตถะสัพพิติยวิวัจจันตุสัพพะโรภวินัสตุมัเตภวัตตวันตาายุสุขีทิฆายุโกภะ อาพิวาธานาสีลิตสนิจังวุธาปจายโนจตรมมารโหธรรมวาตันติอายุวันโอสุขังปาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ เป็นช่วงเดียวที่สะดวกต่อการคุยกันถามกันตอบกันช่วงอื่นจะไม่ค่อยสะดวกหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 313ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์353ท่าน YouTube อรดท่านค l ับ h ฮาสท่านวิทยุออนไลน์9ท่าน Online, า น, นาคุติ210ท่าน รวมทั้งหมด973ท่านรับพระจนันทร์ใช่โอเคไกล่ I have a question about some vocabulary จางเว่ยจางกามความหมายอะไรครับ To hold grudges, to have grudges, oh. to take revenge. Uh, so don't have any grudge because when you revenge You can't start to, to to have back the same thing to you. Mm -hmm. The best way is to stop having any grudges and let b y g o n be bygone. n d there will be no no grudges back. Thank you. v e n c a m we call Vincam. Okay. Thank you. มีคำถามจากทางหน้ากุฏินะคะเดี๋ยวยงทางเียเดี๋ยวก่อนแนว้ยเอาไมโครโฟนไว้ก่อนเดี๋ยวพูดผ่านทางไมโครโฟนเดังๆใกล้ๆกลับเรียนถามพร ะ, อ, นนะอาจารย์ใกล้ๆใกล้ๆตัวตัวไมโครโฟนกลับเรียนถามพระอาจา ร, ร, รย์นะรครับเอ่อ ผมผมได้อ่านหนังสือเบนจางครับพรสสูตรนะครับแล้วก็ผมอ่านมาที่หน้าห้าสิบแปดนะครับพระอาจารย์เขียนว่ า, ามหาสติประสานสูตรเนี่ยนะครับเมื่อมีสมาสติแล้วเนี่ยจะนั่งสมาธิให้เกิดสมาสมาธิขึ้นมานะครับเมื่อได้สมาสมาธิแล้วได้อุเบกขาแล้วเนี่ย เือตรงสมาสติกับสมาสมาธิเนี่ยถ้าดูมหาสติปาตรฐานสูตรเนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นสามข้อแรกหรือเปล่าครับใชก่การยืนยญสติที่กายครับที่กายแล้วเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจครแล้วพอจิตสงบแล้วก็พยายามฝึกบ่อยๆให้ให้ชำนาญก่อนสามข้อแรกที่ครบแล้วเมื่อครบแล้วทําเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ แล้วเวลาออกมาใจเราก็เย็นปนุเบคขาเราก็ไปพิจารณาร่างกายต่อพิจารณาความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเขาแปลว่าในสามข้อแรกนี้ปัญญ า, ายังไม่มายังไม่มาเป็นการฝึกสติสมาธิก่อนให้ใ ห, ให้ให้เตรียมพร้อมให้อนิวรมันหมดไปก่อนต้องมีเครื่องมือใช่ไหมครับถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีกําลังแล้วเราสามารถที่จะวัดได้ไหมครับว่านิวร์เนี่ยมันหมดไปได้สักครึ่งหนึ่งพอไหวไหมครับที่จที่จะทําปัญญาต่อเนี่ย ก็ปัญญานี้มันก็ต้องไปทำข้อสอบแต่ปัญญามันมีสองระดับไง ร, ระดับแรกก็ทาการบ้านที่เราต้องศึกษาร่างกายของเราว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาเกิดแก่เจ็บตายบางทีเราคิดถึงมันเราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมถ้าเราทุกข์ก็แส ด, ดงว่าเรายังไม่มีอุเบกขาพอถ้าเรามีอุเบกขาพอเราก็เฉยๆยอมรับความจริงได้ว่ามัน อันนี้ก็เพียงในระดับทําการบ้านนะ ร, ระดับขั้นที่สองก็คือทำข้อสอบเวลาไปเจอของจริงเวลาไม่สบายแล้วไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคอะเรอย่างนี้ที น, นี้ดูซิว่าเราอุเบกขาหรือเปล่าเราเฉยหรือเปล่าครั บ, รบถ้าเราเฉยก็แสดงว่าเรามีอุเบกขาเรามีปัญญายอมรับความจริงว่าร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาดังนั้นผมสรุปได้อย่างนี้ไหมครับว่าถ้าเป็นขั้นตอนแล้วนี่ก็คือสามข้อแรก คือสมาธิเลยคือเตรียมพร้อมเลยใช่ฝึกสมาธิให้ใชํานาญก่อนให้มีโอเบคขาก่อนพอที่เหลือแล้วเนี่เป็นปัญญาตลอดใช่พิจารณาธรรมชาติของร่างกายของเวทนาของจิตต่อไปครับแล้วแล้วคุณจะเป็นตามันแบบไหครับเช่นว่ากายก่อนเวยนาครัานร่างกายไม่ควรจะข้ามนะครับไม่ควรเพราะมันเป็นข้อสอบที่เบื้องต้นไงครับพราะถ้าจะไปถึงขั้นจิตนี่มันละเอียดกว่ารครับผม บางต้นตนี้ต้องผ่านร่างกายกับเวทนาให้ได้ก่อน <Okay. S 1> เวลานั่งสมาธิแล้วร่างกายเจ็บก็ต้องเฉยได้ไม่ไม่เดือดร้อนฝึก <Okay. S 1> ไปให้มันได้อย่างนั้นก่อนเวลาน่างกายจะตายก็ไม่ทุกข์กับมันเวลาน่างกายเจ็บไายได้ <Okay. S 1> ไป่ปยปวยก็ไม่ทุกข์กับมันอยู่กับมันได้ <Okay. S 1> ถ้าผ่านร่างกายได้แล้วก็ค่อยไปที่เวทไปที่จิตต่ออทีผ่านร่างกายกับเวทนาได้ก็ไปที่จิตครั พิจารณาอารมณ์ต่างๆจิตเราก็ยังมีการแปรปวนมีอารมณ์ต่างๆบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็เครียดบางวันก็สบายก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้มันเป็นให้มันเป็นไม่เครียดอย่างเดียวตลอดเวลาเมื่อมันยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกอยู่มันก็ต้องมีเรื่องให้ให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้อยู่ ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สูงครับคือที่ที่ผมเรียนถามเนี่ยก็เพราะว่ามีคนที่เคยข้ามขั้นมาแล้วก็ไปดูศพดูอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็มีปัญหาปัญนของร่างกายก็คือว่าอาจจะไม่ได้ทำสมาธิก่อนไม่มีสมาธิเห็นแล้วมันจะเป็นลมมันมันจิตมันมันมีปฏิกิริยาถ้ามีสมาธิมันจะเฉยเฉยดูแล้วเฉยเฉยสลบทองเวทได้ครับ ครับเห็นก่อนจะไปปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนโดยเฉพาะข้อขอ้ขอขอ้ข อ, ขอยากๆเช่นอสุภะหรือความตายเนี้ยเราคนเราไม่ค่อยจะกล้าดูกันกลัวกันเพราะจิตยังไม่นิ่งพอถ้าจิตนิ่งแล้วก็สามารถมองได้มองเพื่อให้เข้าใจเพื่อจะได้จดจำว่าร่างกายเรามันเป็นอย่างนี้แล้วนะมันนั้นาเกิดขึ้นอย่าไปหลงลักไปรักร่างกายของเราหรือของคนอื่นก็ตาม มันก็ซากศพดีๆนี่เองอเอาประกมีคำถามฝากถามจากทางหน้าปุตตินะคะ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะในฐานะบุคคลธรรมดาทั่วไปที่กำลังศีลสมาธิปัญญายังอ่อนมีขึ้นลงมีความพยายามในการประคองตนไม่ให้จมไปกับลาบยศและสารเสริญเมื่อยังมีสติก็สามารถดึงใจให้พ้นจากกิเลสได้ แต่เมื่อกำลังสติอ่อนลงมรจะไหลต่ำลงไปอีกมีธรรมะหรือหลักปฏิบัติใดที่จะสามารถยึดเหนี่ยวให้คนธรรมดาทั่วไปมีสติระลึกรู้มีสติเข้มแข็งอยู่ตลอดไปบ้างใช่ไหมคะก็ความเพียรไง เ, เรามีความเพียรเพียรพยายาเจริญสติอยู่เรื่อยๆสามารถเจริญสติได้ทั้งวันถ้าเราตั้งใจตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้เราก็เริ่มตั้งสติได้เลย ใช้คํำบริกคำพุโทโธไปก็ได้ช่วงที่เราตื่นขึ้นมาเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรไม่ต้องไปพบกับใครตอนนั้นเราก็พุโทโธพุโทโธไปหรือ<ม>ว่าคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปว่ากําลังทําอะไรอยู่<ม><ม>สามารถทําได้เพียงแต่เราไม่ทํากันทั้งนั้นเราขาดความเพียร<ม><ม>ถ้าเราทําความมีความเพียรที่จะเจริญสติทั้งวันมันก็ทําได้ จากคุณประพัฒสอนทางเฟซบุ๊กค่ะจิตของคนเราสามารถแบ่งภาคลงมาเกิดได้หรือไม่คะเช่นตัวอยู่บนสวรรค์แต่แบ่งจิตลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อบำเพ็ญประโยชน์เช้าค่ะคือจิตนี้มันไม่ได้มาอยู่ในโลกของมนุษย์หรอกอย่างตอนนี้เรามีร่างกายไมต่ามมีจิตใจแต่ตัวจิตเองมันอยู่ในโลกทิพย์มันเพียงแต่ใช้กระแสวิญ ญ, ญาณการรับรู้มาเชื่อมต่อที่ตาของจมกูกลิ้กายของเราทั้งเอง งั้จิตมันก็อยู่อยู่ในโลกทิพตลอดเวลาเทเงแต่ว่าเวลาที่มันมีมีร่างกายมันก็สามารถส่งสัญญาณมาเชื่อมต่อเหมือนโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเนี่ยสองเครื่องเขาติดต่อกันด้วยการใช้สัญญาณของโทรศัพท์มือถือจิตก็มีส่งสัญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายทําอะไรได้ทุกอย่าง เวลาร่างกายเป็นอะไรก็เป็นที่ร่างกายมันไม่ได้เป็นที่จิตด้วยจิตไม่ได้ไม่ไม่ได้โดนสิ่งต่างๆที่มากระทบกระเทือนกับร่างกายแต่จิตหลงจิตไปคิดว่าอยู่ในร่างกายคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยเดือดร้อนแทนร่างกายอันทั้งที่ร่างกายเขาไม่รู้เรื่องหรอกร่างกายเขาไม่มีการรับรู้อะไรทั้งสิ้นเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้เราไปฟันมันมันก็ไม่รู้สึกว่ามันเจ็บนะแต่พอเราใครมาฟันมือเราแขนเรานี่ ผู้รับรู้คือจิตไปรับรู้ว่ามีคนมามาทำร้ายร่างกายเราแล้วก็ไปทุกข์แทนร่างกายเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายเราเรามาปฏิบัติเพื่อแยกจิตออกจากร่างกายเมื่อให้จิตไปทุกข์กับร่างกายร่างกายมันไม่รู้เรื่องมันมันอยู่ในสภาพที่จะต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆเป็นธรรมดาสุขทุกข์อะไรนี่ใจแล้วรับรู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็น ตัวใจก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ก็พ้อยไปหลงชีวก็ตนเองเป็นร่างกายให้คําถามจากคุณนัดค่ะกราบนรัศ ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะขอคําแนะนําการทําอานาปานาสติด้วยเจ้าค่ะก็อานาปนาแปลว่าลมเข้าลมออกสติก็คือการระลึกรูก้ก็ให้รู้ลมเข้าลมออกนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ดูที่ปลายจมูกดูด้วยใจนะดูด้วยความรู้สึก เวลาลมเข้าก็รู้ว่าลมกําลังเข้าเวลาลมออกก็รู้ว่ากำลังออกแค่นั้นเองให้รู้ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถบังคับให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เดี๋ยวจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากคุณมาม่าหมูตุ่นคะ่ะมีสองข้อคะ่ะข้อแรกคะ่ะ ทำบุญทุกครั้งเราต้องกรวดน้ําหลังทําบุญทุกครั้งไหมคะและถ้าไม่กรวดน้ําแต่ตั้งจิตแทนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้บุญที่เราอุทิศให้ไหมคะคือผู้ที่จะร่วงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่อยู่ที่เขาว่าเขามารอรับหรือเปล่าเช่น mm hmm. ถ้าเขามารอรับส่วนใหญ่เขาจะมาบอกเราก่อนเช่นเขามาเข้าขันเราบอกว่าเขาเดือดร้อนหรืออะไรอย่างนี้อ แสดงว่าเขาเขามารอรับพอเราทําบุญเสร็จแล้วก็อุทิศบุญที่เราทํานี้ให้กับเขาได้โดยทางจิตเลยโดยไม่ต้องใช้น้ําแต่อย่างใดน้ําเป็นเพียงแต่สั ญ, ญลักษณ์เป็นเป็นเป็นรูปธรรมให้เราเห็นสมมุติให้เราเห็นว่าเนี่น้ํานี่คือบุญที่เราทําเราถ่ายจากภาชนะหนึ่งคือ จ, จากใจของเราไปสู่ใจของผู้รับอีกทีหนึ่งเท่า น, นั้นเองดังั้นการอุทิศบุญจริงๆไม่ต้องใช้น้ํา ใช้ใจใช้จิตอธิษฐานว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ร่วงลับไปแล้ว<ม>เขาก็รับได้ถ้าก็มารอรับอยู่แต่ถ้าเขาไม่ได้มารอรับมันก็เขาก็จะไม่ก็ไม่มีใครรับมันก็จะกลับมาหาเราเป็นของเราเหมือนเดิมข้อที่สองค่ะการฆ่าสัตว์เป็นบาปแล้วคนที่ต้องฆ่าสัตว์เพื่อดํารงชีพและประกอบอาชีพเช่นเลี้ยงเพื่อค้าขาย ถ้าบาปผลกรรมจะเป็นแบบไหนเจ้าคะก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่เพราะการเดรัจฉานเขาอยู่ด้วยการฆ่าผู้อื่นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเห็นตายไปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าถ้าสัตว์ด้วยด้วยการเลี้ยงชีพของตนเองคําถามจากทางช่องดรวีเจ้าค่ะ ไปวัดแต่ไม่ได้อยู่ฟังเทศบาปไหมคะคือไปแล้วจัดวางพัฒหารไว้กับคนที่ไปวัดท่านอื่นแต่ไม่ได้อยู่ถึงเวลาฟังธรรมมีธุระเจ้าค่ะก็ได้บุญครึ่งเดียวได้บุญจากการทําทรมแต่จะไม่ได้บุญจากการฟังเทศทำธรรมแต่ไม่บาปไม่บาปแต่ยังไงตอนนี้หมดแล้วจ้ะหมดแล้วนะโยมมีอะไรอยากจะถามย่ังไหมเชิญได้ตามสบายเลย เมื่อกี้ที่ถามเรื่องอนาปานสติเนี่ยนะครับออออผมขอเรียนกับเรียนถามพระอาจารย์ว่า เ, ออเราเราเราต้องรู้นะครับว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกนะครับรู้หรือรู้สึกครับ รู้สึกกระทบหรือว่าแค่รู้เฉยๆก็รู้สต้องรู้สึกสัมผัสไงู้สึกมีการกระทบกันระหว่างลมลกับปลายจมูกต้องมีต้องมีก็มีสัมผัสด้วยหรือถ้าเรารู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ารู้ละเอียดก็คือว่ารู้กระทบเลยรู้จุดที่มันเข้ามาที่ปลายจมูกรับผรู้ว่ากําลังเข้ารู้ว่ากําลังออกแต่อย่าตามลมเข้าไปอย่าตามลมออกมาครับให้รู้อยู่ที่จุดเดียวจุดที่ปลายจมูกแล้วในขณะที่รู้ การกระทบเนี่ยการนั่งนี่ต้องรู้ไหมครับว่าเรากําลังนั่งกระทบอย่ไม่ลืมนั่งกายเป็นหมดเลยลืมทุกอย่างให้รู้อยู่แต่ละให้รู้อยู่ที่เดียวครับอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจครับความคิดปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามคิดนให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวแล้วเมื่อลมอ่อนไปนี่เราจะอะไรไปจับก็ตัวเดียวกันอยู่ที่เดียวกันไปรู้ว่ามันอ่อนก็รู้ว่าอ่อนไปรู้ว่ามันหมดก็รู้ว่ามันหมดก็ดูที่ดูความว่างไปแล้วแล้วเราไม่จะจบ ตรงไหนหมายความว่าพอถึงตรงนั้นแล้วจิตก็จะรวมเป็นเข้าสู่ความสงบนิ่งเฉยรวมก็หายไปหมดปล่อยร่างกายบางทีร่างกายก็หายไปเหลือแต่เหลืออยู่แต่ตัวรู้ตัวเดียวเหลืออยู่ตัวรู้ตัวเดียวเขาก็สักแต่ว่ารู้แล้วก็มีความสุขมีอุเบกขาเกิดขึ้นมาแล้วต้องใช้ตัวรู้ไปทําอะไรหรือเปล่าก็ตัวรู้กับอุเบกขามันไปด้วยกันอไแล้วต้องการอุเบกขาครับแล้วต่อไปเวลาเราออกมารับรู้อะไรเราก็เฉยได้ครับ ใครด่าเราก็เฉยได้ใครชมเราก็เฉยได้เพราะเรามีโอเบคาถ้าเราไม่มีโอเบคาใครด่าก็โกรธขึ้นมาทันทีใครชมก็ดีใจขึ้นมาทันทีอกระบวนการนี้ใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมครับหมายถึงว่าเวลาทั่วๆไปครับเวลานั่งแล้วแต่กําลังของสติถ้ามีสติดีก็สามารถดูไปได้เรื่อยๆถ้าสติอ่อนแล้วกิเลสมันจะออกมาครับ มันก็อยากจะไปทํานู่นทํานี่มันก็สร้างความรู้สึกอุดตัดขึ้นมาคนในที่สุกก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้ฉะนั้นต้องฝึกสติให้มากๆก่อนที่จะมานั่งครับถ้ามีสติมากก็จะนั่งได้นานสติก็คือจัมปชัญญะ ท, ทั่วไปช่ชการเดินให้รับรู้แต่ไม่ให้เ ด, ดินจงกลรมอะไรมบบนี้เดินจงกรมเดินอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวให้รู้อยู่กับการที่เรากําลังทําอยู่อโดยที่ไม่ให้ไปคิดเรื่องรู้สึกตัวอะไรแบบนี้ไม่ให้คิดนะไม่ให้คิดอย่าให้คิด คิดถ้าจะคิดกคิดกับเรื่องที่เรากำลังทําอยู่ใช่ไหมให้อยู่ในปัจจุบันครับอย่างนี้เรียกว่ามีสติรเราต้องการหยุดความคิดเพราะเวลานั่งสมาธิมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมันจะได้สงบีบ อ, อย่างอย่างการเดินเดินจงกรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ อ, อเราอยู่ที่เท้ากระทบนะ น, นะครับอย่างอื่นมาด้วยแสงมาด้วยร้อนด้วยอะไรไม่<ล>สนใจให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับเรื่องเดียวครับ อยู่ที่เท้าก็ได้อยู่ที่พุทโธก็ได้แล้วแต่เราจะใช้เพื่อหยุดความคิดเพื่อหยุดการถ้าเราไปสนใจเรื่องอื่นเดี๋ๆเราจะคิดถึงเรื่องที่มันมากระทบนะเป็นอะไรวะอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมามีการปรุงแต่งขึ้นมาเราไม่ต้องการให้จิตไปไหนให้อยู่กับงานที่เรากําหนดไว้เพียงอย่างเดียวกระทบก็อย่างเดียวครับอย่างนี้จิตจะมีสติแล้วนั่งสมาธิจิตก็จะรวมสงบได้ง่ายครับ พอสงบแล้วก็นั่งได้นานก็รู้สึกสบายไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกอึดอัดหร่ออะไรมีความสุขอยากจะอยู่ในนั้นนานๆอยากให้มันอยู่นานๆโอเ ค, okay, คนะคมีคำถามมีหรืเปล่าอาจารย์ถางต่อนะมีคำถามจากคุณแพรค่ะ กลับนมัสการค่ะสามีเสียชีวิตบางวันก็ทุกข์ใจคิดถึงความดีของเขามากจะวางทุกข์แบบไหนดีเจ้าคะก็อย่าไปอยากให้เขากลับมาเลยอย่าไปอยากอย่าไปคิดถึงอดีตให้อยู่ในปัจจุบันเพราะตอนนี้เราเป็นส่วนแล้วควรจะดีใจเราจะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องไปขออนุญาตเขาแล้ว ม, มันมีทั้งสองด้านน่ะมันมีทั้งด้านลบมีทั้งด้านบวกนะมองด้านบวกสิ ตอนนี้เราเป็นอิสระแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้ไม่ต้องคอยมาขออนุญาตไม่ต้องมาคอยดูแลเขาจากคุณชวนชมค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ค่ะผู้หญิงมีสิทธิ์ปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าได้ไหมคาค่ะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดเขามีจิตเหมือนกันหมดคุณวิรัตค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะตัดภพตัดชาติคืออะไรครับ ก็ตัดจํานวนที่พบชาติที่เราจะมาเกิดไงเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้กี่แสนล้านครั้งละและ้วทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจเราก็ตัดพบตัดชาติวิธีตัดก็ตัดเหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือความอยากสามประการความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรดความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น จากคุณพิมพค่ะ <c oughs> การนั่งสมาธิโดยกําหนดฐานจิตไว้ที่ใจและนึกถึงพุทโธหมายถึงการนึกคิดให้ตั้งจิตไว้ที่ใจถูกต้องไหมคะจิตกับใจมันก็ตัวเดียวกันนะั่ะมันก็ตัวเดียวกันให้เรารลกรู้ อ, อยู่กับพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความคิดก็อย่าไปสนใจอย่าไปอย่าไปพูดคุยกับความคิดให้อยู่กับให้อยู่กับพุทโธพุทโธเขาเอาไป